ยศในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลพรามเจริญวัยแล้วเราเรียนไตรเพศและสัพพศิลปะวิทยาในเมืองตักศิลาครั้นบิดามารดาล่วงลับไปก็บวชเป็นดาบท ทำอภิญยาและสมาบถให้เกิดแล้วพำนักอยู่ในป่าหิมพานต์วันหนึง่งพระดาบทเข้าไปสู่ชนบทเพื่อบริโภครถเปรีย้ยวๆเค็มๆบรรลุถึงพระนครพาราณสีอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานรุ่งเช้านุ่งหม่มเรียบร้อยแล้วเข้าสู่พระนครเพื่อปริษาเดินไปถึงพระลานหลวงพระราชากำลังทอดพระเนตรทางช่องพระแก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 เป็นนักบวชอยู่ป่าหิมพานต์อมาตไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชาพระราชาตรัสว่าดาบดอื่นที่เป็นผู้ใกล้ชิดของเราไม่มีจงนิมนต์ท่านมาเถิดอมาตก็ไปไหว้พระดาบดทูลอ้อนวอนนิมนต์ให้เข้าไปสู่พระราชวังจนได้พระราชาประนมกรเขารบพระดาบดแล้วอาราธนาให้นั่งเหนือบัลลังก์ทองภายใ ต, ต้เวตฉัตร ให้ฉันโภชนามีรถเลิศต่างๆที่เขาจัดไว้เพื่อพระองค์แลรับสั่งถามว่าพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนอาตมาอยู่ป่าิมพรานแล้วบัดนี้พระคุณเจ้าจะไปไหนอาตมากำลังสอดส่องเสนาสนะที่เหมาะสมแกฤดูฝนถ้าเช่นนั้นนิมนต์อยู่ในอุทยานของผู้โยมเถิดเมื่อพระราชาเสว่ยเสร็จแล้วทรงพาพระดาบทไปสู่อุทยาน รับสั่งให้สร้างบาารรณศาลาให้กระทำที่พักค้างคืนและที่พักกลางวันส่งถวายบริขารสําหรับบรรพชิตส่งมอบหมายให้คนเฝ้าอุทยานดูแลแลเสด็จกลับพนครจําเดิมแต่นั้นพระดาบทก็อยู่ในอุทยานพระราชาก็เสด็จไปหาท่านทุกวันพระราชาทรงมีพระโอรสนามว่าพุทธกุมารเป็นผู้มีสันดานดุร้ายหยาบคาย พระราชาและพระประยุรญาตทั้งหลายแต่ก็ไม่สามารถจะฝึกหัดอบรมเธอได้พวกอมสาธก็ดีพวกพรามและขะหะประดีก็ดีแม้จะร่วมกันว่ากล่าอย่างคุนแค้นว่าข้าแต่เจ้านายท่านอย่าได้ทำอย่างนี้เลยท่านไม่น่าจะทำอย่างนี้ก็มีสามารถจะให้เธอเชื่อถือถ้อยคาได้พระราชาดำริว่ายกเว้นพระดาบดผู้ทรงศีลเสียแล้ว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 พระดาบทชวนพระกุมารเที่ยวไปในอุทยานเห็นหน่อต้นเสดาต้นหนึ่งเพิ่งมีใบสองสาใบเท่านั้นคือแตกออกข้างละหนึ่งใบจึงกล่าวกับพระกุมารว่าเธอจงเคี้ยวกินใบของหน่อเสดนั้นแล้วทราบรสไว้เถิดพระกุมารทรงเคี้ยวใบเสดาใบหนึ่งเมื่อรู้รสแล้วทรงรีบถมทิ้งที่แผ่นดินพร้อมทางเสมหะพระดาบทกล่าวว่าเป็นอย่างไรหรอเฮ้อ ต้นไม้นี่เปรียบเสมือนยาพิษร้ายแรงในบัดนี้ทีเดียวถ้าเจริญเติบโตขึ้นคงจะฆ่ามนุษย์ที่เป็นอันมากพรางทรงถอนต้นเสดานั้นแล้วข ย, ยี้จนแหลกด้วยประหัตพระดาบทกล่าวว่าเรากล่าวถึงหน่อเสดานี้ว่าแม่ต้นจะเล็กมันยังขมถึงเพียงนี้เมื่อมันโตจักเป็นอย่างไร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 แล้วไม่ยอมถวายราชสมบัติอันเป็นของแห่งตระกูลของเธอจักถอดถอนเธอเสียเหมือนหน่อเสดาแล้วขับไล่ออกไปเสียจากแวนแขวนเพราะฉะนั้นเธอจงละเว้นความเป็นคนดุร้ายหยาบคายอันเปรียบเหมือนต้นเสดาเสียจงถึงพร้อมด้วยความอดทนความเมตตาและความเอื้อเฟื้อตั้งแต่ปัดนี้ไปเถิด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 เปรียบเหมือนโจรที่มุ่งแต่จะปล้นค่าผู้อื่นเปรียบเหมือนยักษ์มารที่ดุร้ายกินคนควรหรือที่เราจะปล่อยตัวปล่อยใจให้ความโกรธครอบงำแล้วทำตนให้ต่ำเป็นที่น่ารังเกียจของคนอื่นๆทังเพียงนั้นเกิดเป็นมนุษย์ดีๆแล้วไม่ชอบใจไม่พอใจกลับไปชอบทำตัวต่ําๆเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเป็นโจรบ้างเป็นยักษ์มารบ้าง